ก็ขออนุโมทนากับสมาชิกชมรมพุทธในสถานที่นี้ในวันนี้เราได้มีโอกาสในการที่ได้บำเพ็ญกุศลโดยพื้นฐานแห่งการปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นคารวะญาติโยมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าท่านจะทรงสอนในส่วนที่เป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาที่จริงหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี้มีมากนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุไว้ เมื่อประมวลมาเป็นหลักของการปฏิบัติก็จะสรุปลงที่เรื่องของทานศีลภาวนาแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งในวันนี้เริ่มต้นจะให้พวกเราทั้งหลายได้สมาทานศีลเป็นการที่จะเอาข้อปฏิบัติ เครื่องชําระกายวาจาของเราให้เป็นที่ลองรับบุญกุศลคุณงามความดีแต่เราลองมานึกว่าการที่เราจะลองรับบุญกุศลคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในส่วนของกายแล้วก็วาจาอาจมาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเวลาที่ เราทำอาหารพอทำอาหารเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีภาชนะมาเป็นเครื่องรองรับจะเป็นจานเป็นชามอะไรต่างๆแต่ความสำคัญตัวหนึ่งบอกว่าภาชนะที่มารองรับอาหารต้องเป็นภาชนะที่สะอาดถ้าไม่อย่างนั้นเนาะถึงแม้ว่าเราจะประกอบอาหาร ปนนีดดีเลิรเพียงใดก็ตามแต่พอไปใส่ในภาชนะที่มันสกรปรกเปืเป้อนคุณค่าของอาหารก็จะลดลงอันนี้ข้อเปรียบเทียบนะง่ายๆถี่บอกเวลาที่เราทำพิธีกรรมทุกครั้งท่านจะให้สมาทานศีลเป็นเครื่องที่จะชำระ กายวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดขึ้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องรองรับบุญกุศลคุณงามความดีจะเกิดขึ้นในลำดับต่อๆไปแล้วก็บอกว่าเรื่องของศีลเป็นข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์บางองค์บอกอไม่ต้องมารับกับพพาก็ได้เนาะขอให้เราเพียงตั้งใจสมาทานงดเว้น ก็จะเกิดเป็นเรื่องของศีลขึ้นเท ต, ตมาก็ดูว่าเออถ้าเวลาที่เรามาทำพิธีกรรมมีการสมาทานเป็นเรื่องเป็นราวก็ถือว่าก็มีข้อดีอย่างน้อยมันจะเกิดความรู้สึกเนาะอย่างเวลาที่เราจะไปทำอะไรที่เป็นเรื่องของความผิดบาปอกุศลต่างๆมันก็จะเกิดความรู้สึกเอ้ยไม่ได้เนาะ เมื่อเช้าเราสมาทานศีลมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นเตือนความรู้สึกเป็นเครื่องเตือนเตือนสติไอ้ต้นนี้หือเป็นข้อที่สาคัญประการหนึ่งที่โดยพื้นฐานโดยสังเขตเนาะในเรื่องของการที่ให้เรามาสมาทานศีลเป็นเบื้องต้น ในเวลาที่เรามาทำบุญทำกุศลคุณงามกันดีทุกครั้งแล้วกิริยาบุญประกันที่สองเราจะเริ่มด้วยเรื่องของการทำทานแอดยมตะเตรียมข้าวน้ำโภชนาหารมาถวายพระเจ้าพระสงฆ์ในส่วนของการทำทานอามาเห็นความฉลาด แหลมคมของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าสอนในส่วนที่เป็นเรื่องของความจําเป็นพื้นฐานให้เราจับยึดมาเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดบุญกุศลคุณงามความดีที่บอกความจําเป็นพื้นฐานบอกว่าชีวิตของคนเราทุกคนเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร เราจำเป็นที่จะต้องมีการบริโภคอาหารวันหนึ่งหลายๆมือ้อสำหรับคาวาสญาติโยมเพื่อที่จะให้ร่างกายเกิดพละงกำลังและก็สามารถที่จะอยู่ได้พระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญตรงนี้เนาะนำมาเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่สมัยเวลาที่พระองค์เสด็จออกบวชเนาะพระองค์ยึดถือ เอาเป็นแนวทางของการที่จะหาเลี้ยงชีพในลักษณะของผู้ขอแต่การขอของพระองค์นั้นคือขอแบบไม่เบียดเบียนคนที่ให้ให้ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เป็นโอกาสเวลาที่ให้ก็เป็นเรื่องของการที่ได้โอกาสในการทำบุญทำกุศลคุยงามความดีต่างๆไปด้วยอันนี้จึงเป็นส่วนที่เป็นความสาคัญประการหนึ่ง จะตามประบัติของพระพุทธเจ้าเนาะในสมัยเวลาที่ท่านออกบวชแล้วท่านเป็นผู้ขอในสมัยหนึ่งเวลาที่พระองค์เสด็จกลับไปโปรดพระเจ้าสุดโททนะพระราชบิดาพอยามเช้านะพระองค์ก็เสด็จออกโปรดสัตว์ในทางบินธบาติพระเจ้าสุดโททนะไม่เคยเห็นนะในวิธีการอย่างนี้ โอ้โหบอกเอ้อยพระพุทธเจ้าลูกของเราทาไมทาเสียหายอย่างนี้เนาะทำตัวเยี่ยงคนขอทานโอมาต่อว่าพระพุทธเจ้านะตอนนี้ทำให้เสียนะที่จริงท่า น, นเป็นถึงราชโอรสนะทำไมท่านมาทำตัวเป็นคนต่ำต้อยมีพฤติกรรมเยี่ยงคนขอทานอย่างนี้พระพุทธองค์งต้องส่งสี้แจงกับพระราชบิดาว่า การเสด็จออกโปรดสัตว์ในทางบินทบาทเป็นอริยประเพณีเป็นเครื่องยังชีพของพระองค์ในการที่จะยังชีพในฐานะที่เป็นผู้ขออันนี้จึงเป็นประเพณีเนาะเป็นประเพณีปฏิบัติและก็ยังสืบเนื่องมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันแม้แต่ในสมัยเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่ในกิจวัตรที่สำคัญประการหนึ่ง ปุปปันเถปินตปาตันจักยามเช้าพระองค์จะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบาทอันนี้ก็เหมือนที่พวกเราเนี่ยาะพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสทําทานแล้วการทําทานที่บอกเป็นกิริยาบุญที่สําคัญประการหนึ่งเป็นการลดละเลิกสิ่งที่เป็นอาสวะกิเลสในสายของความโลภที่จริงมันก็มีได้กันทุกคนเนาะ ความโลบความทะยานอยากเราจะมีความตนหนีหวงแหนจะจะให้ใครนี่ไม่ค่อยอยากจะให้นะแต่ถ้าใครมาให้เราเราเป็นผู้รับนี่เราจะยินดีนะแต่นี้มันเป็นเรื่องของอาสวะกิเลสเวลาถ้าเราไปรับมากๆเข้ามันจะเป็นการพอบพูนอาสวะกิเลสในส่วนของเรื่องของความโลภความทะยานอยากมากขึ้น ท่านจึงสอนให้แก้ด้วยเรื่องของการทำทานเวลาที่เราสละออกเราให้มันเป็นการลดทอนสิ่งที่เป็นอาสวะกิเลสในสายของความโลภความทยานอยากภายในจิตใจให้ลดน้อยถอยลงเบาบางลงแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เราให้หรือเราเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของผู้ให้ ให้แล้วเกิดความรู้สึกเป็นความปิติความอิ่มเอบเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ให้อันนี้คือผลของทานนะผลอานิสงส์ของการให้ทานนี่จึงบอกว่าเป็นความฉลาดแหลมคมของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แปลเอาสิ่งที่เป็นความจาเป็นพื้นฐานมาเป็นกิริยาบุญ ให้พวกเราทั้งหลายยึดถือเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติแล้วส่วนหนึ่งเวลาที่เราให้ทานคือเป็นการธนุบำลุงสืบต่ออายุพระพุทศาสนาด้วยเพราะชีวิตของพระเจ้าประสงค์ท่านสละออกจากเคหสถานบ้านเรือนแล้วไม่ได้ประกอบภารากิจหน้าที่การงานเหมือนพวกเราเนาะ ความเป็นอยู่ของท่านก็อาศัยการทะนุบำรุงของญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเวลาที่เราให้เราทำทานจึงเป็นการทะนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปด้วยเมื่อชา ย, ยังได้คุยกับท่านประธานเนาะบอกว่าเออเหมือนว่าบางทีก็ไปดูกิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศก็ไปเจออย่างพวกฝรั่ง ฝรั่งนี่เขาจะชอบเรื่องการภาวนาโยมเขาจะสนใจเรียกว่าเอาส่วนยอดเนาะไอ้กระทานศีลภาวนาแต่เขาเอายอดเดนะ่เนาะเอายอดคือเรื่องของการภาวนามาบัดก็จะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเขาจะชอบอย่างนั้นแต่พื้นฐานบางทีเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะอย่างเรื่องการให้ทานฝรั่งไม่ค่อยมีพื้นฐานตรงนี้นะโยม แทนให้อย่างเวลาเข้าไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยหลายๆคนชวนกันไปทานอาหารแล้วก็แชร์กันเนาะเออเขาไม่ได้มาเลี้ยงมาอะไรกันเหมือนพวกเราเนี่ยหรืออย่างเหมือนม า, มาเจอสังคมไทยอย่างงามอะไรต่างๆา ง, งานวัดงานอะไรโอ้โหเปิดโรงทงโรงทานแจกกันฝรั่งเขาไม่ค่อยมีระบบนี้นเนาะเออแต่เขาจะไม่มีนิสัยแต่ก็บอกว่าเออมันก็เป็นขีดจํากัดอย่างหนึ่ง อย่างเวลาที่พระเจ้าประสงค์ไปสร้างวัดไปเผยแผร่พระพุทธศาสนาต่างประเทศอยู่ยากนะยมไม่ได้มีกองสเสบียงเนาะเพราะเขาไม่ค่อยทำทานแต่ว่าที่ไปอยู่ก็อาศัยพวกเราคนไทยนี่แหละคนไทยก็จะเก่งในเรื่องการทำทานแต่ก็ดีนะบางทีอาวเขายัางผู้หญิงที่ไปมีครอบครัวไปมีสามีฝ ล, ลังฝลั่งเนี่ยนะแต่ก็มีพลังนะ ผู้หญิงไทยอ่ะนะแต่เป็นแม่บ้านบางทีก็ให้สามีเอาอาหารมาถวายพระสั่งได้เนาะ <c oughs> เขาก็ต้องมาเนาะแต่บอกเอาอาหารไปช่วยไปถวายพระให้หน่อยนั่นนี่แค่ฉันไม่ว่างแต่ก็จะมาในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าตัวเองบางทีก็ไม่ได้มีอุปนิสัยมีพื้นฐานแต่ถ้าพวกไทยเราเราจะเก่งในเรื่องของการทําทานแต่บางทีก็อย่างว่าเนาะ ก็จะหนักในเรื่องทานนะพอมาเรื่องสีเรื่องภาวนาก็ชักจะอ่อนลงอันนี้เลยไม่ค่อยสมดุลเมืนอนกเ น, นะไอ้ฝรั่งก็จะเอาแต่เรื่องภาวนาเอาแต่ยอดเนะไอ้เราก็เอาแต่พื้นฐานเออมันก็กินกันอย่างเดียวนะมันก็ไม่ค่อยสมดุลอย่างนี้เนะแต่้าเพวกเราทั้งหลายมีความเข้าใจโดยเฉพาะที่นี่เนาะมีครูบาอาจารย์ท่านมาพูดมาบอกมาสอนกันเสมอ ก็ขอขอให้เข้าใจอย่างนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติโดยพื้นฐานลักษณะนี้เป็นเชิงปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วประมวลโดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงไปในเชิงของการปฏิบัติสำหรับคลาวาสญาติโยมก็คือการให้ทานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาไปตามลาดับ นี่จึงเป็นการเริ่มต้นเนาะในการที่เราประกอบกองบุญกองกุศลทั้งหลายาเริ่มจากการให้ทานมาเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวนำอย่างน้อยเลยว่ากองทัพเดินด้วยท้องก่อนเนาะถ้าสังเกตนยมจะเป็นพระก็ตามเป็นยมก็ตามเวลาหิวหิวนี่ความรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะอย่างพระเนี่ยนะยมถ้ายมไปทำสายสายนี่วิธีท่านหงุดหงิดนะ แค่หิวเนาะมันธรรมชาติเนะยอมเป็นธรรมชาติแต่เวลาพอได้ขบได้ชานอิ่มน้ำสําลานแล้วเ อ, อสบายเนาะออมันดีขึ้นอันนี้คือผลผลานิสง์ของทานหรือแม้พวกเราก็เช่นเดียวกันเนาะงั้นเวลาเสร็จจากนี้ก็ไปทานอาหารกันก่อนเนาะยิ่มน้ำสํารานให้สบายก่อนต่อไปจะค่อยมาปฏิบัติมาฟังทำอะไร้ก็ค่อ ย, อ ย, อยดีนะบรรยากาศจะดีขึ้น ทังนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในเบื้องต้นเนาะเพวกเราเริ่มในกองการบุญการกุศลตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของการให้ทานเป็นพื้นทานเป็นอุปนิสัยในเชิงปฏิบัติก็ขออนุโมทนาอาแต่นี้ก็ให้ตั้งใจรับพรอย่า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 จันโทปนารโสยธรรมณิโชติรโสยธรรมปิโยวิวันจันตุสามภโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายยสุขีติ ปฏิภาณโดสุขัสดาตเมตาวสุขังสทิญกัจติอายุเดตะวัังวันนางสุขัจะปฏิภาณโดดีขายยนสวะโหติญตู่ปันชติ นาเตียเตจสานดูกาโรกาพิยาเวลาสุขาสัตตุจุปปะดวามอเนกาอันตรายาปิมีนาสันทุอาศิสตุอายิสิตีทธนังลาภังสติภาขยังสุขังพลัง สิริอายุจั๋วโนจ่าภูงังบุติเจัยสวามสันตวัสสจายุจ่าีวสิทธิพวันตุเต สัมบเดวะตสัมบทรรมานุาเวนะสดาสติปวันตุเตมอาวุสัมบังกาลังราคันตุสัมบเดวตาสัมบาสังขานุาเวนะสดาสติ วันตุเต